ชีวิตวันหนึ่งคือหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่สิบสี่เดือนตุลาคมพศสองพันร้อยห้าสิบแปดวันนี้จะพูดเรื่องการแก้ที่ใจพเราทุกคนเวลา เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจที่มาจากสิ่งภายนอกเราก็พยายามที่จะจัดสรรสิ่งข้างนอกให้ถูกใจใช่เราแม้แต่คนไหนก็ตามทําไม่ถูกใจเรา พูดไม่ถูกใจเรามันนี้ก็คิดไม่ตรงกับใจเราเราก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเขาเพื่อให้ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นอันนี้เขาเรียกว่าแก้ไม่ถูกจุด คนที้ตรงของเราเนี่ยมันมนยากไม่มีไปคิดได้เหมือนเราหรือทำทุกอย่างมันถูกใจเรามันยาก <c oughs> การแก้ข้างนอกแก้สิ่งภายนอกให้มันถูกใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็ต้องทำมาก แต่การแก้ที่ใจเราให้มีความเข้าใจถูกต้องเข้าใจข้างนอกเข้าใจสิ่งภายนอกโอ้สิ่งนี้มันเป็นธรรมดางา น, นจะใกล้ได้โปรยนี้เป็นธรรมดางานการที่อยู่ข้างนอกมันก็ต้องลำบากก็เป็นธรรมดา คนที่เข้าคิดไม่ตรงกับเราแก้ยาาพูดยากมันก็เป็นธรรมดาเราต้องเข้าใจเข้าใจสิ่งภายนอกแก้ใจเราเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งภายนอกเพราะนั้นการแก้ไขข้างนอกให้ถูกใจนี่มัน มันทำได้ยากแล้วต้องทำมากมายถ้าเราแก้ใจเราให้เข้าใจข้างนอกซะมันก็จะไม่ต้องทำมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้ที่ใจเราถ้าแก้ที่ใจเราเมื่อไหร่แล้วก็ปัญหาทั้งหลายที่เกิดจากข้างนอกเนี่ยมันก็หมดไป